พัรษาสี่สิบเจ็ดพันส า, 47, สาที่ท่านบวชเข้ามาและก็ท่านมาอยู่ที่วัดป่าบ้านเพิ่มถ้าหลวงพ่อจําไม่ผิดนะท่านมาอยู่ปี2 5 3พตั้งแต่31ท่านจําพรรษาที่นี่มาโดยตลอดทําไมหลวงพ่อจึงจําได้เพราะหลวงพ่อมาจําพรรษาพอเสร็จศาลาที่นาคําน้อยปี30ิ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 พระพุทธเจ้าตรัสไว้ยังไงสอนไว้ยังไงในหลักพรฒนวินัยศิน227ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายภิกษุสั ม, มนเนนให้ศึกษาในศินและวิ น, นัยสําหรับฆราวาสญาโจรก็ให้ศึกษาในกฎระเบียบคือศินห้าและศินอุโบสถสินสําหรับพระสงฆ์ก็ให้รักษาให้ดูสั ม, มนเนนก็รักษาศินสิบภิกษุทั้งหลายก็ให้รักษาศิน227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 แต่องค์แรกนะเป็นต้นบัญญัตไม่เป็นอาบัตอันนี้ละ่ะอันนี้คือจากนั้นก็บวิญญนัยขึ้นเรื่อยๆสิน227ีถ้าเราศึกษาในพระไตรปิฎกแล้วสินของพระมันเป็นร้อยร้อยพันพันนะใครข้าแต่ละศิคาบทที่พระพุทธเจ้าพิกจูไว้หนวดยาวไว้ขนจมูกยาวไว้เล็บยาวไว้ผมยาวไม่ชำระร่างกายปรับอบัตทุกกฎอย่างนี้ไม่มีในพระปฏิโมก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 ผมยังไม่เข้าป่าหรอกพี่ผมจะไปเรียนปริยัตไปเรียนปริยัตคือเรียนนักธรรมตรีโทเอกอย่างทุกวันนี้แหละ เ, เรียนมหาป ร, ริยนอย่างทุกวันนี้แหละท่นี้น้องชายก็ไปเรียนพี่ชายก็เข้าไปป่าปฏิบัติท่านก็ได้สาเร็จเป็นพระอรหันนะพี่ชายได้สาเร็จเป็นพระอรหันแต่น้องชายนี่นมาเรียนปริยัตที่นันก็ท่านก็นาปริยัตมาสอน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 พี่ชายก็มามาเตือนน้องชายนะโอ้ยกับปิละเธอทําอย่างนี้ไม่ได้เนี่ยตกนรกนะั้นน้องนะเปลี่ยนกับใจใหม่ซะเออให้เป็นผู้อยู่ในศีลซะเอะ่อยู่ในศีลในวิ น, นัยซะอันนี้มันผิดวินัยเขาด้เนี่ยมันไม่ถูกนะน้องเออทางน้องชายเนี่ก็ลืมตัวอีกอย่างเก่านะอยเอ้ยพี่ชายจะไปรู้อะไรหลับหูหลับตาอยู่ในป่า น, นั่นแหะเออเขาโลกเขาไปถึงไหนแล้ว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 พระเถระผู้ใหญ่ที่เป็นพี่ชายใหญ่ที่ไปภาวนาเป็นพระหรหันนั่นนะแปลว่าท่านก็เข้าป่างปรงโพงพายไปเลยแล้วที่นี่พอต่อมาเท่นี่พระกับปิละพิกุกสอนคู่คนทั้งหลายนับสื่อเริ่อมใสยอย่างมากาแต่มันสอนทางผิดเท่นี่มันไม่มีศีลไม่มีฮิริโอตตป า, นะาจากนั้นท่านก็เลยตกนรกพอตายไปแล้วนะตกอเวจีมหานารกพระตกนรกนาะนัตที่นี่นะ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 พวกพ่อของเขาโอ้ปลาเนี้ยไม่เคยเห็นพวกเราขาปลามานานเท่านา น, น, านไม่เคยเห็นปลาทองอย่างนี้ปลาตัวนี้ต้องมีประโยชน์ต้องเป็นปลาพิเศษนะเราควรจะพวกเราลงไปจับปลาครั้งแรกลูกของเราเคงจะนั่นอะ่ะคงคงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีพวกเราได้ปลาทองเราควรจะนาปลาทองนี้ไปถวายพระเจ้าปเสนเอ่อจาจะนี้ก็นำปลา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 ปลาทองตัวนั้นก็เลยเอาหัวฟัดใส่แคมเรือแแคบเรือสามครั้งปั่งปังปั่ ง, ป, งปลาตัวนั้นก็เลยตายตายวิญญาณของปลาตัวนั้นกดไปสู่นรกอีกนี่แหละชาดกและนิทานเรื่องนี้เป็นเครื่องเป็นกระจกเงาสำหรับพวกเราท่านทั้งหลายไม่ว่าพระไม่ว่าครวัตไม่ว่าใครทั้งหมด